ความปรารถนาข้อที่สี่ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมคือประกาศอริยสัจธรรมแก่หม่อมชั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมชั้นประการที่สี่แบบนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชันก็สําเร็จแล้วสําคัญมากเลยนะเพราะว่าบางคนเข้าไปเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมถามว่ามีไหมไมีเท้าสักการนี่นะมีอยู่ครั้งหนึ่ง พระองค์เนี่ยโตเทียมรถมาไปเลยเนี่ยนะเตรียมรถมาจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นเท้าสักกะมาอินทรีย์ไม่แก่กล้าก็นั่งนิ่งเข้าสมาบัติพอเขาเบนรถกลับพระองค์ก็ออกจากสมาบัติพอดีก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกันมาถึงก็ยกมือไหว้แล้วกลับเลยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าแทนที่จะได้เข้าไปแล้วสนทนากันได้ก็เหมือนเข้าไปไหว้พระพุทธรูปเนี่ยข้าไหว้พระพุทธรูปว่าพระองค์เข้าสมาบัติจะต่างอะไรจากพระพุทธรูปในในส่วนของดูจากภายนอกพระองค์ไม่พูดไม่คุยไม่อะไรนี่ก็เลยโอ้ยเนี่ยขอให้งฟั สุดท้ายขอหม่อมฉันพึงรู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมฉันประการที่หบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมฉันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค้าก็าปรารถนาคล้ายๆพระยายมเลยนะพญายมมรชเขาก็ตั้งความปรารถนาไว้แบบนี้เหมือนกันนะพะยายมมรดเนี่ยหลังจากที่คอยดูดัก น, นะเขาเรียกว่าพญยายมเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่คอยอสั่งว่าคนนี้ตกนรกแกตกไปแกตกไปแกตกไปไม่ใช่ งานของท่านคือคอยช่วยเหลือว่ามีเครีำว่าคอยคัดว่ามีใครพอจะมีบุญไม่ต้องตกนรกบ้างคอยไปถามดูแกทำบุญอะไรมาบ้างแกทําดีอะไรบ้างไหมนึกนึกได้ไหมท่านเคยเห็นเทวทูตไหมเคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งสองมสห้าไหมเออถ้าเคยเห็นแล้วท่านคิดยังไงคิดเป็นบุญบมั่งไหมเออถ้าคิดไม่ได้ฉันจะช่วยบอกให้ก็แล้วกันจะได้ไปสุขติจะได้ไม่ต้องไปตกนรกนี่แต่ว่าถามใครก็ไม่มีใครนึกบุญตัวเองออกเลยนึกได้แต่บาป เราก็เลยปรงสังเวทใจก็เลยเสียคือไม่สบายใจมากเลยนะก็เลยตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะเพิ่งได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หลังนั้นขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ล้วก็ขอให้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ขอให้ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อเข้าไปเฝ้าและขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเมื่อพระองค์แสดงธรรมให้ฟังก็ขอให้พึงรู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงแปลว่าขอให้บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงด้วยเถิดเนี่ยนะพญายมนิเครียดเลยตั้งความปรารถนาไว้คล้ายๆกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่า พระพุทธเจ้าค้าครั้งก่อนหม่อมฉันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาห้าอย่างนี้บัดนี้ความปรารถนาห้าอย่างของหม่อมฉันสําเร็จแล้วภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษิทธิ์ของพระองค์ไพร่เราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ หม่อมชันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำหม่อมชันว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารของหม่อมชันในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะก็เลยนิมนต์พรองไปฉันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับด้วยดุษนียภาพ ครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชทรงทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักศิณแล้วก็เสด็จกลับไปหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชก็รับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประนีตโดยผ่านราตรีนั้นแล้วก็ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัฒตาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาสศกแล้วทรงถือบาตจีวรเสด็จพระพุทธดาเนินไปสู่พระนครราชเกิกพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่จำนวนพันรูปล้วนปูราณัชเดินก็คือพระภิกษุที่เคยเป็นพระเชดินบางแห่งกล่าวถึงว่าในระหว่างที่ พระองค์กำลังจะเสด็จมานั้นประชาชนเนี่ยแห่แหนออกไปจะไปดูพระพุทธเจ้ากันมันก็พระองค์ก็ไม่มีทางจะพุทธดําเนินนะพระองค์ก็ไม่มีทางดําเนินไปคนมีแน่นเอียดเพราะว่าทุกคนอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าชาวเมืองทั้งหมดออกมาเพื่อจะเห็นพระพุทธเจ้ากันหมดเนี่ยนะสมัยนั้นเท้าสกกะจอมตัวเทพก็เลยเนรมิตเพศเป็นมนุษย์ก็คือเป็นหนุ่มหนุ่มรูปงามเนี่ยนะเสด็จดําเนินนําหน้าภิกษุสอ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก พลางขับคาถาเหล่านี้ร้องเป็นเพลงนำหน้าและดีดพิณร้องเพลงนาหน้าไปเลยนะเพราะว่าคนจะได้แหวกให้ด้วยสักกะเทวานุภาพเนี่ยนะอนุภาพของท้าวสักกะคนจะจะแหวกจะเป็นทางให้พระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดําเนินไปได้ไม่งั้นพุทธเจ้าจะไม่ได้ฉันเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นทุกคนก็อยากจะเห็นเนี่ยนะเกิดมาไม่เคยเห็นก็อยากจะเห็นก็อยากจะเห็นเข้าวพระองค์ก็เลยจะอดฉันนะนนเนี่ยเดือดร้อนเทวดาบางังกันก็มากล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระ ชวีก็คือผิวเนี่ยเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีก็คือผิวของพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากเห็นผิวพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเป็นยังไงก็บอกว่าดูทองคําชมพูนุชที่บริสุทธิ์นั่นแหละผิวของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นแหละพระองค์ทรงฝึกอินทรีย์แล้วเนี่ยนะด้วยอุบายเครื่องฝึกคือสมถะและวิปัสสนาทรงพ้นวิเศษแล้วเนี่ยนะด้วยพ้นด้วยอะไรด้วยวิมุตติแต่ทางข้วิมุตต์วิคัมพนาวิมุตต์สมุเฉทาวิมุตต์ปฏิปสัสสติวิมุตต์แล นิสารณะวิมุตตเสด็จประเวทคือคือเสด็จเดินทางสู่พระนครราชครึกพร้อมด้วยพระปุราณชดินทั้งหลายผู้ฝึกอินทรีแล้วผู้พ้นวิเศษแล้ว น, นะท่านเหล่านี้ก็ได้รับการฝึกด้วยสมถาวิปัสนาหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเสร็จสิ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชวิษาเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีพ้นแล้วสรงพ้วิเศษแล้วเสด็จ สู่พระนครราชคครกพร้อมด้วยพระปูราณาชดินทั้งหลายผู้พ้นแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงขีทรงข้ามแล้วทรงพลวิเศษแล้วสเสดสู่พระนค ร, รราชคครกพร้อมด้วยพระปูราณชดินทั้งหลายผู้พ้นแล้วผู้พ้วิเศษแล้วณนะถ้อยคําชื่นชมพิเศษก็คือหนึ่งผู้ฝึกอินทรีย์แล้วในที่สองเขบอกว่าผู้พ้นแล้วในยะที่สามผู้ข้ามแล้ว ผู้ฝึกฝึกด้วยอะไรก็ฝึกด้วยสมถาวิปัสนาผู้พ้นแล้วพ้นด้วยวิมุตทั้งหลายเนี่ยนะด้วยแต่ทางข้าวิมุตเป็นต้นแล้วก็ผู้ข้ามแล้วข้ามไกลข้ามโอคะด้วยอริยมรรคทั้งหลายเสร็จแล้วนั่นแหละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ที่ทกิจเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงขีทรงสงบแล้วทรงพลวิเศษแล้วเสด็จสู่พระนครราชครื่พร้อมด้วยพระปูราณชิลินทั้งหลายผู้สงบแล้วผู้พ้วิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีอริยว่าสิบประการเทว่าเครื่องอยู่ของพระเรียเจ้าสิบประการทรงประกอบด้วยกําลังของพระทศพลเนี่ยเทวะกำลังสิบของพระองค์ แล้วก็พระองค์ยังทราบธรรมคือกรรมบทสิบและพระองค์ทรงประกอบด้วยธรรมะอันเป็นองค์ของพระอเาเศครียกว่าอาเศคาธรรมสิบเนี่ยนะก็มีอะไรสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสขะเป็นต้นมีภิกษุสองพันหนึ่งเป็นบริวารเสด็จสู่พระนคร ร, ราชครึกประชาชนได้เห็นเท้าสกกะจอมถวยเทพแล้วก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อหนุ่มนี้มีรูปงามยิ่งนักหน้าดูียกว่าดูน่ารักน่าชมยิ่งนักพ่อหนุ่มนี้ เป็นของใครเนอะวังเั้นพ่อหนุมเนี่ยคือใครเนอะเมื่อประชาชนกล่าวอย่างนี้แล้วเท้าส ก, กะจอมเทพก็ได้กล่าวตอบประชาชนพวกนั้นด้วยคาถาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นนักปราดทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ผ่องแผ้วหาบุคคลเปรียบมิได้ไกลจากกิเลสเสร็จไปดีแล้วในโลกข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่า เอใครเนาะบอกคนรับใช้พระพุทธเจ้านะถ้าพูดแบบย่อๆเรานะแต่ว่าแม้จะพูดง่ายไปหน่อยมั้งนะก็สรรเสริญพระพุทธคุณว่าคือทําไมตัวเองจงยอมลดตัวมารับใช้พระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยเป็นนักปราดปราดก็มาจากคำว่าบัณฑิตนะนะผู้ที่เป็นบัณฑิตนะี่แหละรู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์โลกนี้อย่างสมบูรณ์ได้รับประโยชน์โลกหน้าและทําประโยชน์อย่างยิ่งให้สําเร็จเพราะชื่อว่าเป็นปราดเป็นบัณฑิตเพราะรู้เหตุ แห่งธรรมทั้งหลายพระองค์ก็เป็นผู้ฝึกฝึกนะฝึกอินทรีย์ฝึกด้วยอธิศีอาทิ จ, จิตและอธิปัญญาผ่องแผ้วผ่องแผ้วก็แปลว่าปราศจากความหมนมองเศร้าหมองมัวหมองด้วยอำนาจบาปอากุศลธรรมทุกชนิดหาบุคคลเปรียบไม่ได้ใครเนาะจะดีขนาดนี้หาไม่ได้อีกแล้วว่างนั้นไกลจากกิเลสก็คืออรหันตคุณผู้เสด็จไปดีแล้วในโลกก็คือเสด็จไปสู่อาสังฆตาธรรมเสด็จไปสู่พระนิพพานเสด็จไปตามหนทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ด ไม่ได้เสด็จไปตามอัตตา ก, กิรมะฐานุโยกการมสุขาริการุโยคโดยที่แท้เสด็จไปตามมัชชีมาปฏิปทาพระองค์ไม่ได้เอียงไปในสัสตตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิทั้งนั้นเพราะว่าพระองค์ไปเพื่อเห็นอริยสัจธรรมทั้งหลายแล้วก็ยังเที่ยวประกาศอริยสัจธรรมทั้งหลายเพื่อสงเคราะห์มวลมวลหมู่สัตว์โลกข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเหมือนั้น ทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่พระราชินิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชแล้วครั้นถึงแล้วก็ประทับเหนือพุทธอาบที่เขาจัดตั้งถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชทรงอังฆาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาจนียะโภชจนียหารอันประณีดด้วยพระหัตของพระองค์จนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จทรงนำพระหัตออกจากบาทห้ามพัดแล้ว ก็คือส เ, เสร็จเรียบร้อยพระเจ้าพิมพ์พิสานก็ประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเท้าเธอได้มีความคิดว่าคิดขึ้นมาเลยว่าหลังจากพวกองค์ฉันเสร็จเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่ไหนดีหนอซึ่งสถานที่เนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้บ้านเกินไปนะักไม่อยู่ใกล้บ้านเกินไปแล้วก็ไม่อยู่ไกลบ้านเกินไปสะดวกด้วยการคมนาคมแปลว่ามาก็สะดวกไปก็สะดวกเพราะว่าไม่มีอันตราย ควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์เข้าไปเฝ้าก็เข้าไปได้และสถานที่ตรงนั้นกลางวันไม่พุกพล่านกลางคืนก็เงียบสงัดเสียงไม่ดังกึกก้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออกไม่ใช่เป็นสถานที่แบบใครจะไปไหนก็ผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปแปลว่าวัดเนี่ยไม่ควรจะเป็นทางผ่านของอะไรเนี่ยนะก็คิดดูนะถ้าวัดแบบมีถนนผ่ากลางจะเป็นยังไงใช่ไหมแม้แต่ที่คนผ่านไปผ่านมาจะมีความสุขได้อย่างไรเหมือนกันเพราะฉะนั้น เป็นสถานที่ประกอบกิจของผู้ต้องการสถานที่สงัดและควรเป็นที่หลีเกเล่นอยู่ตามสมณวิสัยก็เลยคิดว่าสถานที่ไหนนะที่เหมาะสมแบบนี้เพราะฉะนั้นเราพึงถวายเวลุวันกลันทะกะนิวาปสถานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกดังนี้ก็ลำดับนั้นพระองค์ก็ทรงจับพระสุวรรณพิงคารก็คือน้ําเต้าทองเนี่ยนะทรงหลั่งน้ําน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระดํารัสว่า หม่อมชันถวายสวนเวลุวันนั่นแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระพุทธเจ้าค้าก็ถวายเสนาสนะนี่นะในอัตตกถาพุทธวงศ์หน้าห้าสิบหกหน้าห้าสิบหกสำนวนอีกในหนึ่งนะบอกว่าพระราชานั้นถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเสร็จแล้วก็ พระองค์ก็เสวยเนี่ยนะพระองค์ก็เสวยเมื่อเสวยเสร็จแล้วก็กราบทูลเนื้อความนี้กับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่อาจอยู่เว้นจับท่าตรัยรัตได้คือไม่อาจสหอยู่ห่างพระพุทธเจ้าได้ไม่อาจจะอยู่ห่างพระธรรมและพระสงฆ์ได้เพราะอะไรเพราะเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันหรืออุบาสกก็คือผู้อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยนั่นเองข้าพระองค์จะเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาบ้างไม่ใช่เวลาบ้าง ชื่อว่าอุทยานลัทธิวันเนี่ยก็อยู่ไกลเกินไปเพราะไม่ใช่ว่าอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้เพราะว่ามันห่างมากเนี่ยนะถ้าคนอื่นๆถ้าเป็นพวกคนอื่นๆไปแมถ้าไกลมากก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นห่างไปส่วนอุทยานชื่อว่าเวลวันของข่าพระองค์นี้สําหรับผู้ต้องการวิเวกเหมาะมากสําหรับผู้ต้องการเงียบเนี่ยนะกายวิเวกจิตวิเวกเป็นต้นไม่ไกลนักไม่ใกล้นักพร่งพร้อมด้วยทางคมนาคมไร้ผู้คนเบียดเสียดเป็นสถานที่สงัด พร้อมด้วยร่มเงาและน้ำประดับพื้นศิลาเย็นเป็นภูมิภาคที่น่ารื่นรมย์อย่างยิ่งมีต้นไม้อย่างดีมีดอกหอมกลุ่นชั่วนิรันดร์แปล ว, ว่าแถวนั้นมีต้นไม้มีดอกหอมหลายต้นแล้วก็หอมเป็นปกติว่างั้นประดับประดาด้วยปราศาสตร์ย่อหรือปราศาสตรล้นมีวิหารดุจวิมาน เรือนที่มุงแถบเดียวมีมนดกเป็นต้นก็มีก็คือไม่ต้องไปสร้างเสนาสนะอะไรเพิ่มมากมายเนี่ยนะก็มีทั้งสถานที่ก็มีอยู่แล้วที่พักเป็นต้นก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับอุทยานเวลุวันนี้ของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะและสถานที่ตรงนั้นน้ําก็สะดวกด้วยเนี่ยนะที่สำคัญก็คือน้ําสะดวกด้วยมีน้ําพุพุ่งขึ้นมาเลยน ะ, ะไปรอบหลังเห็นมีน้ําพุเลยไปรอบแรกมีน้ําพุน้ําพุพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะ ก็คือมันสบายมากนะเขาบอกไม่ต้องขุดบ่อด้วยซ้ำไปเพราะน้ำมันพุขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแถวนั้นมันมีอะไไม่ก็ข่างจากนั้นไปสักร้อยเมตรก็มีอะไรตะโปทาวันหรือตะโปทารามก็น้ําพุก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะก็รับอุทยานเวลุวันนี้พระเจ้าพิมพิสารก็ถือน้ํามีสีดังแก้ลมณีอันอบด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมด้วยพระเต้าทองเสมือนฐานร้อนใหม่นี่นะเพราะว่าน้ําเต้าทองเนี่ย ทองที่งามเนี่ยเหมือนอะไรบอกเหมือนฐานเพลิงที่มันร้อนระอุเลยนะพระองค์ก็ทรงบริจาคพระเวลุวรรณารามเวลุวันก็คือป่าไผ่อารามก็คือสถานที่น่ารื่นรมเนี่ยนะสถานที่น่ารื่นรมคือป่าไผ่ที่ประดับด้วยอะไรบ้างมีพวกคืออาคารอาคารสถานที่ก็มีอยู่แล้วนะก็หลังน้ําลงบนเนื้อพระหัตถ์ของพระทศพลในการรับพระอารามนั้นมหาปฏาปีก็ตกสู่อำนาจตีติ หมายถางว่าเทวดาที่ประจําภาคพื้นเนี่ยนะเรียกว่าพุทธเทวดาเนี่ยก็เกิดปีติขึ้นมากว่ารากของพระพุทธศาสนาหยั่งลงแล้วก็ได้ทําการหวั่นไว้ราวกับฟ้อนรําคำว่างั้นแผ่นดินไหวเหมือนร่ายรำนะยังไม่ถึงขนาดเท่าญี่ปุ่นมั้งนะก็แค่ว่าธรรมดาแบบรู้ว่าเป็นที่ร่าเริงบันเทิงอ่นะธรรมดาเสนาสนะอื่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้วทําให้แผ่นดินไหวเว้นพระเวรุวันมหาวิหารเสียไม่มีเลยใน ชมพูทวีปจริงๆพระพุทธเจ้ารับวัดเยอะมากเนยนะอะไรเช่นว่าเมืองสาวัตถีก็รับเชตวันใช่ไหมรับเชตวันรับปุปพารามที่เมืองโกสัมพีก็รับโคสิตารามเป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็วัดเหล่านั้นก็ไม่ได้แผ่นดินไว้เหมือนกับเวลุวรณารามเนี่ยนะพระศาสดาทรงรับเวลุวรณารามแล้วก็ทําอนุโมทนาในวิหารทานนี่ยนะซึ่งตรงนี้ก็กล่าวเพียงแต่ว่า พระองค์ทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นแจ้งอาถรรพ์สมาทานร่าเริงด้วยทำมีกระถาแล้วก็หลีกไปคําว่าอนุโมทนาทานเนี่ยนะก็อนุโมทนาวิหารทานว่านอกจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถของโลกปากของคนหนึ่งหนาหุบบุรุษไรเล่าผู้สามารถจะกล่าวอนิสงค์ของการถวายที่อยู่อาศัยได้ น, นะนะเอาปากคนเนี่ยนะหนึ่งหหุหนึ่งหนหุหนนหก็ประมาณเท่าไหร่หมื่นคนใช่ไหม เอาคนปากหมื่นคนเนี่ยมาชื่นชมสรรเสริญยกย่องอะนะมาช่วยกันสรรเริญว่าการถวายที่อยู่เนี่ยมันมีกำไรอย่างไรอันนี้สงบอกว่ากาไรว่าถ้าทำบุญด้วยการให้ที่อยู่เป็นทานเนี่ยควรจะได้รับบุญรับอันนี้สงได้กำไรที่เกิดจากการลงทุนเนี่ยถวายที่อยู่อาศัยแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่างั้นะ น, นอกจากพระพุทธเจ้าใครแล้วจะสรรเซินได้หมดเนี่ยนะ นัญยัตระพุท ธ, ธาปณะโลกนาถายุตโตมุขานังนะหุเตนะจาปิบ่าจะเอาใครแล้วเอาเอาคนเป็นหมื่นปากเลยแหละมาช่วยกันสรรเสริญยกย่องว่าอันนี้สงการกล่าววิหารทานนั้นจะมีอันนี้สงขนาดไหนนรชนใดถวายที่อยู่แก่สงนรชนนั้นท่านกล่าวว่าให้ที่อยู่เนี่ยชื่อว่าให้อายุ คนที่มีที่อยู่ก็เราให้วันนะให้ความสุขให้กำลังให้ปฏิภาณอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วเพราะโดยปกติผู้ให้ข้าวคือผู้ให้กําลังผู้ให้ผ้าคือผู้ให้ผิวพัรุ์ผู้ให้รองเท้ายานผานะก็คือผู้ให้ความสุขใช่ไหมผู้ที่ให้อะไรชื่อว่าให้อายุให้ยาเป็นต้นก็ชื่อว่าให้อายุเนี่ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าใครที่ ให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยชื่อว่าให้ทั้งอายุด้วยให้วันณะด้วยให้ความสุขด้วยให้กําลังด้วยให้ปฏิพานด้วยที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วเนี่ยนะฮะในบรรดาวัตถุทานทั้งหลายในโลกนี้เสนาสนะทานมีกําไรที่สุดเหมือนกันเถอะกำไรดีที่สุดในเทียบกับการให้วัตถุทานทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะด้วยข้าวด้วยน้าําผานะรเรียบดอกไม้ของหอมประทีปคมไฟเป็นต้นเนี่ยการให้ที่อยู่อาศัยนั้นชื่อว่าประเสริฐที่สุด ในบรรดาการให้ทุกชนิดในโลกเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นผู้ที่ถวายที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนี่สามารถป้องกันอุปัตวะอันตรายแห่งชีวิตมีความเย็นเป็นต้นเนี่ยนะผู้นคนที่มีอยู่ในมีที่อยู่อาศัยอยู่ในเสนาสนะป้องกันความเย็นได้ไม่เย็นเกินไปถ้าร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเนี่ยนะ แล้วก็ปราศจากสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพราะฉะนั้นการให้ที่อยู่แบบนี้ย่อมรักษาอายุของเขาเอาไว้ได้ฉะนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นการให้ที่อยู่อาศัยนี่แหละเท่ากับให้อายุของผู้อยู่อาศัยเจริญยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบุษบุรุษทั้งหลายเรียกผู้ที่ให้เสนาสะนะแบบนั้นว่าผู้ให้อายุเนี่ยนะให้อายุมันปรารถนาอายุยืนก็ให้ที่อยู่อาศัยเพราะว่าการให้ที่อยู่อาศัยเป็นเหตุแห่งอายุยืน พละวันณนะและปฏิพานย่อมไม่มีแก่ผู้อยู่ในที่อาศัยที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเขาบอกว่าถ้าร้อนจัดจัดจริงๆเลยเนี่ยร้อนระอุเลยใครจะมีเรี่ยวมีแรงบ้างอ่ อ, อนเพลียและเหี่ยใจยเลยมันนั้นนะ่ะผิวละ่ะตากแดดทั้งวันนี้จะงามเลยไหมถ่ายแบบได้ไหมยากมันนั้นนะปฏิพานเนี่ยนะถ้าถามว่าอยู่ที่เย็นจัดร้อนจัดจะไปมีปฏิพานเฉลียวฉลาดไหวพริบคิดอะไรออกบ้างไหมแบบยาก นอกจากโทสะที่มันระอุ ข, ขึ้นระอุ ข, ขึ้นเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นผู้ถวายที่อยู่อาศัยยึงเชื่อว่าให้กําลังให้ผิวพรรณและให้ปฏิพันธ์คือสติปัญญาทีเดียวเนี่ยนะเพราะว่าอาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยนะผู้ที่ได้เสนาสนะสัปพายะเนี่ยสามารถอบรมสมถะและวิปัสนากุศลธรรมเกิดได้บ่อยเกิดอย่างต่อเนื่องประดุจคลื่นในมหาสมุทรเนี่ยเพราะกุศลจิตเกิดมากเนี่ยนะ พันก็เท่ากับผู้ให้ปฏิพันธ์ให้สติให้ปัญญาให้คุณงามความดีด้วยโดยอ้อม嘛นะผู้ถวายวิหารชื่อว่าให้ความสุขเป็นเนืองนิดเป็นปกติเป็นประจำเนี่ยนะตลอดการนั้งปวงเพราะว่าอย่างว่านะก็ขอพักซะหน่อยนะพักที่ไหนที่ตัวเองจะมีความสุขก็คือที่ที่ตัวเองอยู่นั่นแหละวิหารเนี่ยแปลว่าที่อยู่การถวายที่อยู่นั่นแหละก็ชื่อว่าให้ความสุขเป็นปกติเนี่ยนะเพราะที่อยู่นี้สามารถป้องกันทุกข์มากอย่างที่เกิดเช่น จากอะไรบ้างร้อนเย็นสัตว์เลื้อยคลานลมแดดเป็นต้นในโลกเพราะเหตุที่ผู้ถวายทานคือวิหารเนี่ยนะย่อมป้องกันทุกมีเย็นลมร้อนแดดเหลือบฝนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ร้ายเป็นต้นได้เพราะฉะนั้นผู้นั้นเชื่อว่าได้ความสุขในโลกหน้าเนี่ยนะกล่าวว่าให้ความสุขแก่ผู้อื่นในโลกนี้ตัวเองเป็นผู้มีส่วนที่จะได้รับความสุขต่อไปในโลกหน้า ผู้ใดมีจิตเลื่อมใสประสานนาจิตโตเนี่ยนะมีจิตใจเลื่อมใสด้วยศรัทธาบันเทิงแล้วถวายวิหารอันเป็นเหตุแห่งพบวิหารเนี่ยเป็นเหตุแห่งโภคะที่น่ารื่นรมแห่งใจแก่ท่านผู้มีคุณธรรมมีศีลเป็นต้นเพราะว่าสร้างที่อยู่อาศัยก็ไม่ใช่สร้างที่อยู่ให้โจรเนี่ยนะโจรก็คือคนไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่สร้างที่อยู่ให้โจรแต่สร้างที่อยู่ให้ผู้มีศีลมีสมรรถมีวิปัสสนาเป็นต้น ผู้นั้นท่านเรียกชื่อว่าผู้ให้ทุกอย่างนี่ยนะให้ทุกอย่างให้อะไรบ้างให้ให้กําลังให้วันหน้าให้ความสุขให้ปฏิพาณเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าให้เสนาสนะสปายะเนี่ยนะให้อุตุสปายะให้สปายะหลายอย่างนะทั้งอุตุสปายะเพราะที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับอาหารโดยอ้อมก็เท่ากับว่าให้โภชนะสัปายะเรียกว่าให้สัปายะแล้วก็ให้อิริยาบทสัปายะเพราะเสนาสนะที่ดีเนี่ย จะเดินจะอะไรก็สะดวกสามารถอยู่ได้ในอิริยาบถสี่อย่างผาสุขเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้เสนาสนะให้วิหารเนี่ยชื่อว่าให้ทุกอย่างผู้ใดละความเศร้าหมองคือความตระหนี่ความตระหนี่ทีเหนียวทั้งหลายเนี่ยนะพร้อมทั้งละโลภะละความเศร้าหมองคือความตระหนี่ละความเศร้าหมองคือโลภะ ถวายวิหารแก่ท่านผู้มีคุณเป็นที่อยู่อาศัยก็คือถวายแก่ผู้ที่ทรงคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีศีลผู้ที่ถวายนั้นก็เป็นเหมือนถูกผู้อื่นโยนขึ้นไปในสวรรค์เรียกว่าใช้คําว่าอัญเชิญไปไว้ในสวรรค์นั่นแหละเหมือนกับว่าอัญเชิญไปประดิสถานไว้ในสวรรค์ย่อมเกิดเป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกถึงสมบัติที่รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ย ก า, วาวรว่ารวบรวมพวกกระซับเอาไว้ตัวเองก็ใช้ได้นิดเดียวนะไม่ใช่ว่ามีมากๆแล้วก็จะทานได้เยอะใช่ไหมเพราะทานมากมันก็ไขมันมากใช่ไหมมันก็ต้องม า, มาจํากัดตัวเองในการทานนอนมากก็ไม่ดีอีกก็ไม่ใช่ว่ามีที่อยู่เตียงใหญ่แล้วจะได้นอนเยอะขึ้นไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแล้วก็สร้างบ้านหลังโตๆแล้วไม่ใช่จะอยู่กับบ้านได้นานขึ้นไม่ใช่เลยอยู่ก็น้อยกินก็น้อยนอนก็น้อยเพราะงานมันมากกว่าจะต้องหามาบํารุงน้อยในที่สุดไม่ทันใดตายไปแล้วทีนี้ไอ้พอตายไปแล้วเนี่ย น, นะโดยมาก ถ้าเราให้ฟังว่าเปรตทั้งหลายเนี่ยเสียใจมากเลยพอไปอยู่ในสถานะเป็นเปรตตัวเองก็ใช้ของที่เคยสแสวงหาก็ไม่ได้อดอยากหิ้วหวยกว็าปานนั้นลูกหลานก็ไม่คิดถึงก็าปานน้นเนี่ยนะอุ้ยมีแต่ความเศร้าใจของกันมีแต่ความเดือดร้อนใจเศร้าโศกถึงสมบัติที่อุตส่าห์รวบรวมด้วยหยาดเหงื่อแรงกายสติปัญญา ร, รมทุกอย่างเพื่อ ด, ดินน้ำไฟลมกองไว้ท่วมแต่ก็ใช้อะไรไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็ยกย่องว่าผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานแล้วไม่ต้องมาเศร้าโศกแบบคนกลุ่มนี้หรอกเนี่ยนะ นรชนสร้างวิหารทองประเสริฐเลิศโอราสร็จแล้วก็นิมนต์พระภิกษุทั้งหลายอยู่ในวิหารนั้นพึงถวายข้าวถวายผ้าถวายข้าวน้ําผ้าเนี่ยนะแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วก็ถวายโดยเคารพเป็นเมืองนิดอันนี้ก็ถวายด้วยอะไรนะสร้างที่อยู่อาศัยก็คือให้เสนาสนะใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่เสนาสนะอย่างเดียวถวายปัจจัยสี่อย่างอื่นด้วยเช่นข้าวน้ําก็คืออะไรบิณฑบาตนั่นแหละแล้วก็ให้ผ้า ให้ผ้าแต่นี้คำว่าข้าวน้ำเนี่ยรวมทั้งยาไปแล้วด้วยก็คือถวายปัจจัยสี่แก่ผู้มีศีลทั้งหลายแล้วก็วิธีทําบุญก็ทําด้วยความเคารพเนนะาด้วยมือของตนเองทําด้วยจิตใจที่เลื่อมใสไม่ใช่ทําแบบทิ้งคว้างเนี่ยนะทด้วยกรรมศกตาสศ ร, รัท ธ, ธาเชื่อมั่นใน กุศลกรรมเรียกว่าทําแบบคนรู้คุณรู้อา น, นิสงส์รู้กําไรรู้ดีรู้เชื่อว่าทำอย่างเงี้ยจะมีผลมีอา น, นิสงส์มีกำไรดีอย่างไรถ้าไม่ทํามีความเสียหายอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่ารู้ทั้งความเจริญรู้ทั้งความเสื่อมรู้เหตุดีเหตุจเจริญเหตุเสื่อมเป็นต้นขอถวายพระพรตสมามหาราชพระเวสสุโพเคเนี่ยนะ ขอถวายพระพรเพราะฉะนั้นมหาบาพิษจะเสวยโภคะที่น่ารื่นรมใจในภพทั้งหลายยิ่งขึ้นไปด้วยผลแห่งวิหารทานภายหลังจงทรงประสบธรรมะอันสงบสุขที่ไม่เศร้าโศกแล้ก็จริงนะพระพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยหลังจากที่ท่านจุติไปจากนี้ท่านก็สามารถเกิดในสวรรค์ชั้นสูงๆได้หลายชั้นแต่ก็ไม่ยินดีเพราะวา่า จิตใจเนี่ยนะเคยเพลิดเพลินกับการเกิดเป็นยักษ์มานานก็มีจิตอาวรธที่จะกลับไปเกิดเป็นเสนาบดียักษ์เนี่ยนะนยักษ์ยีตนเนี่ยนะคำว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงเทวดาเนี่ยนะผู้ควรแก่การบูชาเนี่ยก็ไปเป็นยักษ์เสนาบดีเสร็จแล้วก็มีใจฝกักฝ่ายว่าวันเนี้ยจะเป็นพระสกาทาคามีวันเนี้ยก็มีจิตใจที่จะเป็นอ่าพระสกาทาคามีตอนนี้ก็เป็นไม่รู้ว่าได้เป็นหรือ ย, อยังก็ไม่ทราบน ะ, ะมีใครมาเล่าให้ฟังเลยไปราชคฤห์ท่านก็ไม่กลับมาเล่าให้ฟังเลย พระจอมมุนีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครั้นทรรมอนุโมทนาวิหารทานแด่พระเจ้าพิมพิสารจอมนอรชนประการอย่างนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะอันพิสุสงเวดล้อมเมื่อทรงทำนครให้เป็นวณวิมานเป็นต้นด้วยพระสมีแห่งพระสรีระของพระองค์ที่น่าทอดทศนายอย่างยิ่งประหนึ่งเลื่อมไพรที่เกิด แต่รถด้วยน้ําทองเนี่ยนะก็คือเวลาที่พระองค์เสด็จดําเนินไปที่สวนเวลุวันเนี่ยก็แผ่พระศมีรังสีเหมือนกับว่าพ่นน้ําทองออกจากพระสรีระด้วยพระพุทธลีลาหาที่เปรียบไม่ได้ด้วยพุทธสิริที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็ด้วยพระสรีระร่างกายที่บุญกรรมตกแต่งมาเป็นอย่างดีพระตถาคตจอมปราประทับอยูนะ่ณพระเวลุวัน ว, วิหาร ซึ่งมิใช่เป็นที่เล่นนะนะไม่ใช่เล่นด้วยโลภะนะแต่เป็นที่น่ารื่นรมแห่งใจด้วยธรรมะเครื่องอยู่ต่างๆเป็นที่น่ารื่นรมใจด้วยวิหารธรรมเช่นเป็นสถานที่เหมาะมากที่จะอยู่ด้วยพรหมวิหารทิ พ, พวิหารและอริยวิหารเสร็จแล้วพระองค์ก็อยู่ทั้งด้วยพรหมวิหารทิ พ, พวิหารอริยวิหารคอยตรวจดูหมู่เวนยศัสทั้งหลายผู้ควรแก่สังวนมีนัยผู้ควรแก่ ปหาหนวินยผู้ควรแก่การตรัสรูม้มรรคผลซึ่งเหตุการณ์ต่อไปพระองค์จะโปรดใครบ้างก็เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เช่นพอ